9. อุพาหิกาวัตรหมวดว่าด้วยอุพาหิกาสมมติไม่แต่งตั้งด้วยอุพาหิกา45่หหท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบได่องค์เท่าไรหนอแลสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุพาหิกาพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้สงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาองค์หคือ 1. ไม่ฉลาดในอัดสองไม่ฉลาดในธรรมสไม่ฉลาดในการกล่าวด้วยภาษา 4. ไม่ฉลาดในกระบวนอักษร 5. ไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์หนี้แล สงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5สงฆ์พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาองค์5คือ 1. ฉลาดในอัด 2. ฉลาดในธรรม 3. ฉลาดในการกล่าวด้วยภาษา 4. ฉลาดในกระบวนอักษร 5. ฉลาดในคำต้นและคำหลัง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 2. เป็นผู้ลบหลู่ถูกความลบหลู่ครอบงำาเป็นผู้ตีเสมอถูกความตีเสมอครอบงำ 4. เป็นผู้มีปกติริษยาถูกความริษยาครอบงำ 5. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าสงฆ์พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาองค์หคือ 1. ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำสอไม่เป็นผู้ลบหลู่ ไม่ถูกความลบหลู่ครอบงำสาไม่เป็นผู้ตีเสมอไม่ถูกความตีเสมอครอบงำสี 4. ไม่เป็นผู้มีปกติริษยาไม่ถูกความริษยาครอบงำห้ 5. ไม่เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนไม่มีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ง่ายอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลสงพึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาไม่แต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อีกอย่างสงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาองค์หคือ 1. โกรธ 2. พยาบาทสเบียดเบียน 4. ยั่วให้โกรธ หไม่อดทนไม่รับอนุสาสนีโดยเคารพอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลทรงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หสาทรงพึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาองค์หคือ 1. ไม่โกรธ2ไม่พยาบาท สมไม่เบียดเบียน 4. ไม่ยั่วให้โกรธ 5. อดทนมีปกติรับอนุสาสนีโดยเคารพอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลสรงพึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาไม่แต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีก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 ด้วยอุปาหิงกาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกสงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิงกาองค์หคือ 1. นึ่ลำเอียงเพราะชอบ 2. องลำเอียงเพราะฉัง 3. ามลำเอียงเพราะหลง 4. ี่ลำเอียงเพราะกลัว 5. เป็นอลัตชีอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิงกาแต่งตั้งด้วยอุปาหิงกาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หสงฆ์พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิงกาองค์หคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว หเป็นลัตชีอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้านี้แหละสงพึงแต่งตั้งด้วยอุภาหิงกาไม่แต่งตั้งด้วยอุภาหิงกาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้าแม้อื่นอีกสงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุภาหิกาองค์หคือ 1. ลําเอียงเพราะชอบ สองลำเอียงเพราะชังสามลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัว5ไม่ฉลาดในพระวินัยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลสงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าสงพึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกา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 สี่หท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแลนับว่าเป็นผู้โง่เขลาโดยแท้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านับว่าเป็นผู้โง่เขลาโดยแท้องค์หคือหนึ่งไม่รู้พระสูตรสอง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 5・ฉลาดในคำต้นและคำหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้และนับว่าฉลาดโดยแท้องค์ของภิกษุผู้โง่เขลาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีกนับว่าโง่เขลาโดยแท้องค์หคือ 1. ่ไม่รู้วัตถุ 2. ไม่รู้นิทาน 3. ไม่รู้พระบัญญัติสไม่รู้บทที่ตกหล่นในภายหลัง 5. ไม่รู้ถ้อยคํามันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องคหานี้แลนับว่าโง่เขลาโดยแท้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องคหานับว่าฉลาดโดยแท้องค์าคือหนึ่งรู้วัตถุสองรู้นิทาน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 องของภิกษุผู้โง่เขลาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์5แม้อื่นอีกนับว่าโง่เขลาโดยแท้องหคือ 1. ไม่รู้อธิกร 2. ไม่รู้สมุทฐานแห่งอธิกร 3. ไม่รู้ประโยคแห่งอธิกร 4. ไม่รู้ความระงับอธิกร 5. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องหานี้แลนับว่าโง่เขลาโดยแท้องค์ของภิกษุผู้ฉลาดอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องหานับว่าฉลาดโดยแท้องค์ห้าคือ 1. รู้อธิกร 2. รู้สมุดฐานแห่งอธิกร 3. รู้ประโยคแห่งอธิกร 4. รู้ความระ ง, งับอธิกรณ์ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์อุบาลรีภิกษุผู้ประกอบได้องหานี้แลนับว่าฉลาดโดยแท้อุปพาหิกะวักที่เก้าจบหัวข้อประจําวักพภิกษุไม่ฉลาดในอัดมักโกรธยั่วให้โกรธไม่หลงงมงายลําเอียงเพราะชอบ